สวครับผมตุ้ยธีรพัทน์สุภพลนะครับวันนี้จะมาเฉืยเรื่องรับที่จะไม่รับอีกแล้วนะครับทุกคนทราบไหมครับว่าเพลงที่ผมใช้เวลาในห้องอัดนานที่สุดคือเพลงอะไร